ถามว่าจรณะสิบห้านั้นคืออะไรตอบว่าหนึ่งีลสังวรสำรวมกายวาจาเรียบร้อย 2. อินรียะสังวรสำรวมอินรีทั้งหก 3. โพชนะมัตัญยุตตา ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ 4. ชาคริยานุโยคประกอบตามซึ่งความเพียรไม่เห็นกันนอนมากนัก 5. ้ศรัทธาเชื่อต่อสิ่งที่ควรเชื่อ 6. หอิริละอายต่อบาปทุจริต 7. โอตตะปะสะดุ้งต่อบาปทุจริต 8. พาหุสัจจะความเป็นผู้สะดับมากหมายเหตุผู้สะดับมากไม่ใช่แค่ฟังแต่มาถึงการศึกษาแม้แต่การอ่านก็รวมด้วยนะครับ 9. วิริยา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 เอกคตา 13. ทุติยฌานละวิตกวิจารประกอบด้วยปีติสุขเอกาคตา 14. ตติยฌานละปีติประกอบด้วยสุขเอกาคตาละสิจตุทธฏฌาน ละสุขประกอบด้วยเอกคตาอุเบคาศีลสังวรอินรียะสังวรโภชนะมัตตัญุตาชากริยานุโยสัทธาอิริโอตต ป, ปะพาหุสั จ, จะวิริยสติปัญญาปถมชาญทุติยชาญตติยชาญ ตุถถ า, าถามว่าข้อปฏิบัติ15อย่างนี้ต้องทำให้บริบูรณ์อย่างนั้นหรือตอบว่าถ้าเจริญให้บริบูรณ์เต็มที่แล้วก็ถึงซึ่งวิชาและวิมุตติดังเสขะปฏิปทาสูตรที่สาในกหาปฏิวัคทหนึ่งมัชฌิมน า, มม น, น, านิายมัชฌิมาปัญนาตหน้า25สหความสังเขตว่า สกยาราชชาวเมืองกบิลพัฒน์สร้างศาลาใหญ่ขึ้นใหม่ยังไม่เคยมีใครบริโภคนั่งนอนจึงเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคให้ประทับก่อนเพื่อให้เป็นมงคลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์และกษัตริย์สกยาราชทั้งหลายมีเท้ามหานามะเป็นประธานพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมสิ้นเวลาเป็นอันมากจนเมื่อพระปริสดางจึงตรัสเรียกพระอาอนน์ให้แสดงข้อปฏิบัติของเสขาบุคคล พระองค์ทรงปูลาสังคติสาเร็จสีหาสายยามีพระสติสัมปัชญะญกำหนดหมายจะลุกขึ้นพระอานนท์จึงแสดงเสขาปฏิบัติเท้ามหานามะเป็นผู้รับธรรมเทศนาคือเจรณะส5ห้าอย่างนั้นเมื่อจบแล้วจึงอุปมาว่าเหมือนแม่ไก่ไข่ออกมาแดฟองหรือสิบฟองส2บสองฟอง แม่ไก่นั้นกกไว้ให้อบอุ่นไม่ต้องปรารถนาว่าขอให้ลูกน้อยของเราจงเจาะกระเพาะฟองออกมาลูกไก่ก็ต้องทำลายกระเพาะฟองด้วยปลายเล็บหรือจะงอยปากออกมาเป็นตัวได้รอยเหตุที่แม่ไก่ก ก, กไว้เสมอข้อนี้ฉันใดอริยาสาวกในธรรมวินัยผู้บริบูรณ์ด้วยจจรณะสบห้านั้นก็อาจทำลายกระเพาะฟอง คืออวิชชาและบรรลุวิชาสามคือ 1. อุปุเพนิวาสานุสติญาณรำลึกชาติหัหลังของตนได้ 2. จุดตูปปาตาญาณเห็นสัตว์จุติและปฏิสนธิ 3. อาสวะขยะญาณผู้จักทำอาสวะให้สิน้น เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลุกขึ้นแล้วจึงประธานสาธุการแก่พระอานนท์ถามว่าเรายังกังวลอยู่ได้กิจธุระการงานเป็นส่วนตัวและของผู้อื่นบ้างการที่จะประพฤติปฏิบัติในจารณาสิ้ากลัวจะไม่บริบูรณ์หรือจะต้องหลีกไปในที่สงัด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 เราจะประพฤติปฏิบัติในเจรณญาสิ้าให้บริบูรณ์ได้ไหมตอบว่าได้ตามกำลังใจของผู้ปฏิบัติส่วนกังวลที่จะต้องละนั้นคือราคากินจันังกังวลเพราะความกำนัดยินดีหรือหมกมุ่นติดอยู่ในกามโทสา ก, กินจนัง กังวลเพราะความประจุษร้ายหรือโกรธเคืองแล้วริษยาพยาบาทเกลียดชังตลอดกระทั่งความเพ่งโทษใครๆหรือปฏิฆะอารติโมหะกินจนนังกังวลเพราะความหลงหรืออุทธจักความฟุ้งซ่านและวิจิกิจฉาความสงสัยความกังวลเพราะอากุศลทั้งหลายเหล่านี้ นี่แหละเป็นส่วนควรละถามว่ากังวลที่จะต้องละนั้นมีเท่านี้หรือหรือยังมีอย่างอื่นอีกขอท่านจงอธิบายให้ข้าพเจ้าเข้าใจตอบว่าไม่ใช่เท่านี้ยังมีอีกมาก แต่ยากที่จะบรรยายให้สิ้นเชิงข้าพเจ้าจะกล่าวโดยย่อพอให้ท่านเข้าใจคือสังโยชสิบโอขะสีโยขะสีอนุสัยเจ็ดอสวะสามตัณหาอุปาทานสีนิวรห้าอุปากิเลส1ิบหกอุศลวิตกสามอากุศลกรรมบทสิบ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 สอนให้ละหมดมีให้มีส่วนเหลือไว้เราเป็นปัจจัยให้เกิดภพชาติไม่ใหถึงนิพพานเพราะฉะนั้นพระอระหรันต์ละกิเลสอาสะวะทั้งหลายเหล่านี้สิ้นเชิงไม่มีส่วนเหลือจึงถือซึ่งอนุปาทิเศ ส, สนิพพานถามว่าความทำในใจอย่างไรกิเลสทั้งหลายเหล่านี้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 ไม่ประกอบด้วยเจตนาจึงเป็นการมราคาสังโยชน์ไม่รู้ว่าเป็นโทษมิได้ละความยินดีทางใจลอยให้ดับไปเองภายหลังมืนึกคิดถึงรูปที่เข้าไปชอบติดกำนัดยินดีผัวพันอยู่นั้นและทำในใจไม่แยบคาย ประกอบด้วยเจตนาคิดยืดยาวออกไปจึงเป็นการมวิตกคือนโมโนกรรมฝ่ายอกุศล